อนาปฏิวานพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือแปดร้อยเก้าหนึ่งพิกษุีใช้ท่อนยางเพราะอาพาธเป็นเหตุสองพิกษุีวิกลจริตสามพิกษุีต้นบัญญัตสิคราบที่สี่จบ